الرحيم الحمد لله رب العالمين العقبة ا للمتقين ولا ع و ا ن إلا على الظالمين و ص ل و و س ل م على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سبنا عجيب عن بلال ن ك ر من ا ل آ ي ا ي ة آ ي ا ت ب ا س ن ة ي ن م سورة التوبة ซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอายะที่เข้ากับชายาของสุรษออตโตนอื่นๆที่ซาฮาบะเคยตั้งไว้ลฟาดิ حة สุรษที่แฉความลับของมูน่าิกินอันมูชักชิกว์เปิดเผยความชั่ว ให้มุนาฟิกีนในวงแตกชายามากมายที่ทำไม่เข้าใจว่าเป้าประสงค์ของสุรเดวะเนี่ยสักฟอกสังคมซึ่งตอนนั้นก็อยู่ในวาระสุดท้ายก่อนนบีจะเสียชีวิตไม่กี่เดือนนะสักฟอกสังคมให้ประศักด์มุนทิน ที่ร้ายแรงและเป็นเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดต่อความมั่นคงของสังคมก็คือพวกใส่ศึกพวกสับลับกลับกลอกที่ไม่มีความหวังดีไม่มีเจตนาที่ดีต่อสังคมเทียบกับกฎหมายปัจจุบันนี่เขาก็เขาก็เรียกคนประเภทนี้เนีว่าทรยศชาติ อะไรนะ่ะช่างชาติเออมันมีช่างชาติแต่ที่จริงนี่อย่างที่บอกว่าในสลามไม่มีเรื่องเชื้อชาติไม่มีสีผิวไม่มีไอพวกเงื่อนไขเงื่อนไขในด้านวัตถุดิบ หรือวิถีชีวิตใดๆที่จะมาทําให้ใครเหนือกว่าใครเอางจากศาสนานี่อิสลามนี่ไม่ไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ราคาเลยสีผิวเผ่าพันเชื้อชาติเนี่ยไม่มีไม่มีความหมายอันนี้เรื่องศาสนาอันจะเรียกพวกนี้เนี่ยก็พวกช่างศาสนาไม่ใช่ช่งไม่ใช่ช่างศาสนาไม่เอาศาสนา ไม่ชอบศาสนามันก็มีไหมล่ะในสังคมค น, นี่ไม่ชอบศาสนาพูดทุกเรื่องเขาบอกว่าเอ้ยพูดกับผมทุกเรื่องแต่อย่าพูดเรื่องศาสนาดูทะเลาะกันมาพูดทุกเรื่องได้ก็คนนี้ไม่อยากจะให้ศีลธรรมหรือให้คำสั่งสอนที่เหนือเก้าเหนือกระหม่อมเนี่ยมากากับชีวิต คนที่เขาตามอารมณ์อยู่แล้วยอมยอมให้อารมณ์ไฟต่มของตัวเองเนี่ยเป็นไกเป็นเป็นหัวหน้าเป็นผู้กำกับยากที่จะที่จะทอมดนให้ให้ศาสนาได้เป็นได้เป็นผู้นำชีวิตที่บอกอายะแปดสิบสี่นี่เข้าเรื่องเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเรื่องที่มันจะสร้างความอัยยศ มากกว่าการที่ได้ให้สังคมทั้งหมดเรารู้ท่าแท้ของมุนาฟิกินถึงขนาดที่กิจกรรมสําคัญหลังเสียชีวิตเนี่ยของของมุสลิมทุกคนเนี่ยก็คือละมาจาณาทุกคนเนี่ยหวังว่าละมาละมาจาณาเพราะมันจะจบไงมันจะบ่งถึงอะไรหลายอย่างในชีวิตมันเป็นบั้นปลายที่บ่งถึงอะไรหลายอย่างในชีวิต การเสียชีวิตที่สง่างามผู้สัตว์ทุกคนเนี่ยต้องการทุกคนต้องการไม่มีใครอยากจะเสียชีวิตด้วยกันกระทํำที่ร้องโกรธคิวหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตในสถานะที่คนในสังคมเนี่ยไม่ชอบหรือเกลียดชังทุกคนอยากจะให้บ้านไปชีวิตเนี่ยสง่างาม ตายแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขารักคิดถึงนึกถึงขอดัวให้ส่งปราทานาดีให้ใช่ไหมทุกคนอยากจะเสียชีวิตแล้วก็คนมาละหมาดจะน่าจะเยอะๆถึงแม้ว่าไม่มีซองจะแจกให้แต่อยากให้คนมาละหมาดเยอะๆแต่าบางคนนี่เขาเขารู้ว่าไม่มีคนจะมาละหมาดเนี่ยก็ต้องก็ต้อ ง, ก, องก็ต้องทำกองทุนน่นนะที่ ต้องมีงบแต่แจกสองแต่มันช่วยไม่ได้อะช่วยไม่ได้จริงๆมูนาฟิกต้าเบียเตวีะลมาริเขาอฮัดมินมตอับดันะลตุคุมอลกบรทุบลคนิดคนแลม่ไม่ใช่ใครใครกตานบีนะไม่ลมารนซนี่นีก็หมดหมดสภาพแล้วไม่เหลือแล้ว ถ้าจะให้อีกคะแนนว่าอายะนี่เนี่ยเป็นอายะที่แรงที่สุดสำหรับพวกมูนาฟิกินพราะอะไรเพราะตัดขาดแล้วพวกนี้ไม่ชิผูศรัทธาฉะนั้นเจ้าอย่ละมาดยานาไซเราละหมาดไม่ได้ขอดูอ้ายเขาไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าหลักการศาสนาว่าการขอดูอ้ายให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทําไม่ได้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยการชําระ สักฟอกสังคมให้สังคมเนี่ยได้เข้มแข็งในมาตรฐานของคนดีนะคนที่เราจะมองด้วยความภูมิใจคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนที่โอยน่าทึ่งน่าชื่นชมน่าสรรเสริญเรื่องนี้เนี่ยเป็ น, เ, ป น, เ, ป น, เ, ปนเรื่องเป็นเรื่องยากนะเพราะแต่ละคนในสังคมเนี่ยมีมาตรฐานส่วนตัวเรื่องความชอบความไม่ชอบ จะชอบใครจะไม่ชอบใครแต่แล้วคนในมีมาตรฐานส่วนตัวใช่ไผมนี่ถ้าบอกกับพี่น้องว่าถ้าสมมุติเราไปพูดกับเยาวชนส่วนมากนี่หนุ่ยรุ่นสมมุตินะครับไอ้นักเทะบอลที่มันทําอย่างงุ้นอย่างงี้นี่มันคือไปไปรักกันไม่ได้ไปชอบมันไม่ได้ไปหลงมันไม่ได้ ไม่ได้มันมันเป็นการมันเป็นการหลงผิดจะทำจะทาให้เขาเนี่ยไม่ชอบมิสซี่ได้ไหมโอ้โล่าสุดนี้ได้รางวัลปีที่สามต่อเนื่องนักเตะบอลดีดินเชครู้เรื่องอะไรเรื่องบอลนเช็คพูดเรื่องกับซี ด, ดับซีดก็พอแล้ว จะมาพูดเรื่องบอลทำไ ม, มอันนี้มาตรฐานส่วนตัวแน่นอนมาฐานส่วนตัวทีว่ผมในแต่สิ้นนี่เช็คพูดตามสบา ย, ยแต่เรื่องบอล น, นี่อย่ายุ่งเช็คไม่ไม่ไม่เนีนกันรู้เรื่องอะไรนักเตะบอลจะดีไม่ดีสมัยท่านนบเนี่ยพวกมุนาฟิกินะส่วนมากจะเป็นคนร่ำรวยคน กลุ่มหนึ่งก็กลุ่มเศรษฐีของมาดีหนาแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็คือคนชนชั้นกลางอ่ะแล้วก็คนที่แบบว่าสบายอ่ะมีมีนามีสวนมีรายได้มีบ้านมีช่องแล้วก็มีลูกหลานเยอะมีภรรยาหลายคนมีลูกหลานเยอะเป็นสิบคนมีบ้านหรูหราคือชีวิตของเขาเนี่ยสนทรีเนี่ยคก็อยากได้เป็นแบบนั้น แล้วก็พวกมูนาบิกีนที่บอกว่าส่วนมากนี่ก็เป็นกลุ่มที่บอกว่าเคยมีอนาคตเนะี่ยก่อนที่นบีจะมามาันเขามีเคยมีอนาคตแต่บอกอิสลามมาแล้วแล้วก็บอกเรื่องสะตุ้มสะดางเรื่องเผาพันุ์เรื่องสายตระกูลอะไรเนี่ยอันนี้ในอิสลามเนี่ยก็ตัวใครตัวมันแต่แต่มันไม่ได้เป็นมาตรฐานสายตระกูลนี่จะต้องเหนือกว่าคนอื่นต้องเผ า, านี่จะต้องเด่นกว่าคนอื่นมันเป็นอวิสิทิ์ที่ไม่มีเหตุผล ไม่มีเหตุผลถ้าเราจะเอาศาสนาเป็นมาตรฐานเขาก็เลยติดในใจไว้เนี่ยว่าศาสนานี่มันมันทำลายระบบชีวิตของของเราอิสลามจะมาบอกกว่าคนแบบนี้ถ้าไม่เอาอัลลอฮ์ไม oh ar, all, saying, oh, God, Allah, ่เอาระซุนี่ไปไปรักใครเขาไม่ได้จะไปชื่นชมเขาไม่ได้จะอะไรเขาไม่ได้แต่นี่คนเขา ชอบเขาเต็มที่แล้วอ่ะเพราะเขาหน้าตาดีเป็นคนมีฐานะในสังคมมีบุญคุณจะไม่ชอบได้ไงอ่ะจะไม่ชอบได้ไงนี่เป็นเรื่อ ง, เ, เ, รอง เ, เรื่องยากอย่างที่มันเป็นเรื่องยากในปัจจุบันสำหรับไอดอลของผู้คนเะกี้ผมพูดเรื่องนักเตะ บ, บอลสำหรับเยาวชนสำหรับเยาวชนสำหรับ หนุ่มสาวเนี่ยไอดอลนักร้องอะไรพวกนี้นะสำหรับคนแกนะ่คนแก่อย่างผมเนี่ยคนสลิมอย่างผมเนี่ยเนะี่ยมันก็มีไอดอลด้านการเมืองด้านการทหารเหมือนกันนะไปแตะเข้าไม่ได้นะโอ้เชคนี่ฉันเป็น fc เช็คแฟนคลับแบบแท้ๆเลยนะแต่อย่แย่แตะลงตูนะ แต่ลงตูนี่เป็นอนุขขาดกันเลยนะไ ม, ไม่ต้องคุยกันเลยอันนี้จะเหมือนกันเชคพูดไปเรื่องตบสทสิ่งแต่เรื่งองบ้านเรื่องเมืองเรื่องการเมืองนี่นะเชคไม่ต้องยุ่งเชคอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่กับอยู่กับคนที่ละหมาดสะอาดคนเนี่ยเรื่องการเมืองนี่มันเป็นเรื่งองสกปกเรื่องสะกะปกอย่าพูดโดยมันสะกะปกไปด้วยเป็นเสยียงน่ะ นเรื่องมันยากแบบนี้ยากแบบนี้อาถามบางคนที่เขาก่อนที่จะทิ้งเรื่องยาฮิลยียอคือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมลอะเราก็ก่อนก่อนที่จะเป็นมุสลิมอนะะตอนที่เขาเป็นกาเฟตเลยนะแล้วก็สำหรับมุสลิมที่เขาก็เป็นมุสลิมโดยกาเนิด น, นะแต่วิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็เหมือนกาเฟตในเราเรียกกันสมัยที่เขาเป็นยาฮิลีแอ มุสล uh ah ah ิมที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนมุสลิมนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับกาแฟที่ใช้ใช้วิธีชีวิตแบบเจฮิลียะเจฮิลียะกะแสศาสนามุสลิมสลิมกินเหล้ามุสลิมไปเที่ยวผับไปกินเหล้ากินเบียร์แบบเนี้ยมุสลิมมีแฟนระบบแฟนมีมุสลิมแบบเนี้ยชีวิตแบบเจฮิลีย์ะมีมุสลิมแบบนี้ถ้าไปดูชีวิตของเขานี่ก่อนที่เขาจะเข้าใจหลักการศาสนา อะไรอะไรหลายอย่างที่มันเป็นไอดอนในหัวใจเขาจะได้ถอดถอนออกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนดีเเค่งคักเรื่องศา ส, สนาเรื่องอทุกอย่างนี่ทุกอย่างเต็มที่เต็มที่เลยทุกอย่างเลยแต่ขาดไม่ได้งวยราดดำเนินเนี่ยมันมันอยู่ใน มันมันเลิกไม่ได้ดูมวยนี่นอะอยาให้ได้ยินเสียงแงงแงงแงงแงแงแงลงละลงละยิ่งกว่าฟังกอ่านอีกอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ใช่หมายที่ว่าต้องมีคนแบบนี้จริงนะแต่มีอันนี้เพิ่งมารู้ล่าสุดเนี่ยมันมีข้อ ไก่ชนอยู่นแถวเนี่ยไม่ต้องเงชื่อน่ะลาลาลนี่เนี่ยเขาอย่างงี้น่นะเขาอย่างงี้เลยนะพี่นเนาเล่นไก่นะเล่นไก่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทอดไก่ทอดน่ะไม่ใช่นะ <laughs> เล่นไก่ <laughs> ไก่ชนน่ะจะได้ถอเรื่องนี้เนี่ยนี่มันยกัน ผมยกตัวอย่างทั้งหมดในีอ้พี่น้องเดนสมัยท่านนบีมันเป็นแบบนี้และเป็นเหตุผลที่อัลลอฮ์สุภานะได้ประทานหลังจากอายะ84นี่นะที่บอกกับพวกมูนาฟิกนี่มันเองมันกัฟรูนี่มันกัฟรูมันปฏิเสธอัลลอฮ์มันไม่อัลลอฮ์ไม่เอาละสู้แล้วหัวแมาตัวอฟาซิคคล้วมันเสีชวิตในฐานะที่เป็นฟาซิกเป็นคนที่ลระมัดแต่เขาเป็นคนดีนะเขาทําความดีนะเขาหน้าตาดีเขานั่นเน่ย اللَّهُ uh um uh um. a َ لا يبغوا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم في الدنيا وثأرهم في الآخرة فهم كافرون ปัจจัยของโลกดุนยานี้ที่มันเป็นมาตรฐานในสังคมมนุษย์นี่มาดูตลอดคนร่ารวยคนแต่งตัวหน้าตาดีมีสถานะดีมองแล้วล้วก็น่าทึ่งน่า ชื่นชมเป็นมาตรฐานด้านวัตถุมีมาดดโดยตลอดโดยตลอดเราคิดยังไงเราสมมติว่าเราเห็นเราเห็นดาราคนหนึ่งเกียรติชังศาสนาดูถูกพระเจ้าอย่างนักร้องที่เขาเชิญไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในคอนเสิร์ตร้องให้คนซาอุดีเนี่ยนฝรั่งร้องยกย่องยกย่องเชตตอนในเนื้อเพลงมันนะยกย่องเชตตอนเราดูถูกศาสนาก็าบอกว่าไม่เกี่ยวเราก็เราก็ศรัทธาของเราเขาจะเอาเนี่ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราไม่ได้เชื่อตามนั้นใช่แต่การที่เรานี่ม า, มายืนฟังคอนเสิร์ต เขาเน้นแสดงว่าเรายังรักเขาอย่างชอบอย่างชิ่นชมเขาเรายังยังถือเขาเป็นเป็นไอดอลเป็นเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้เราต้องเคี้ยวเวลาต้องเคียงงบส่วนหนึ่งไปซื้อตัว๋วต้องเคียดความยุ่งยากอะไรจะได้ไปฟังเขามันจะอยู่ได้ไงอ่ะหัวใจของเราอ่ะรักคนที่ดูหมิน่นดูแค้นดูถูกศา ส, สนาลออัลลอฮ์เนี่ย เลือขณะที่เราก็รักอัลลอฮ์กรรักซูระศาสนานี่มันจะอยู่ดนยันได้ยังไงอัลลอ์บอกว่าจงอย่าให้ทรัพสมบัติของพวกเข า, างเงินทองของพวกมุนาฟิกีนมีมนามีสวนมีเงินทำบุญแจกเงินคนรวยที่เขาชอบชอบมีบุญคุณกับคนอื่นโอ้ไปที่ไหนนะเลี้ยงทำบุญแจกตัง ต, ต้องเป็นแบบว่าต้องเป็น ในทุนเป็นคนเศรษฐีใจป่าหน่อยนะเพราะพรามันมีเศรษฐีขี้เหนียวก็มีเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านอย่างเงี้ยเลี้ยงน้ําเนี่ยยังไม่เลี้ยงเลยเนี่ยนี่ก็มีใช่ในส่วนมากกันเนพวกมูนาฟิกินเพราะพรเคยเป็นนักการเมืองเป็นเป็นผู้นำไงเลี้ยงเลี้ยงเฮ้ยเลี้ยงวีเฮ้ยใครเดร้อนอ่ะหายตังค์ผมได้รู้ จากคนที่เคยเป็นหัวคะแนนเพราะอะไรผมฟังว่าหัวหนา้าเขาบอกับหัวหน้าพักเนี่ยหัวหน้าพักที่ได้ได้โคต้าในสภาเนี่ยจะได้ตั้งรัฐบาลเนะี่ยคือจะต้องเป็นไม่ธรรมดานี่ยคือจะต้องเป็นคนที่มีตังค์และกันที่มีตังค์นี่หมายต้องต้องเลี้ยงหัวคะแนนนะี่ยต้องเลี้ยงแล้วไม่ได้เลี้ยงหัวคะแนนคนเดียวนะมต่ต้องเลี้ยงชาวบ้านที่เป็นเป็นคะแนนเสียงของเขาด้วย ใครมีงานศพใครมีงานจนาจามีงานนิกางานสมรสแต่งงานเนี่ยหัวคะแนนเนี่ยต้องไปในนามของหัวหน้าพักหนึ่งยมีซองด้วยมีเพราะฉะนั้นเวลาถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่พูดเขาไม่พูดอะไรเลยเนี่ยคนคนที่เขาถูกหล่อเลี้ยงมาโดยตลอดตลอดสี่ปีเนี่ยใครที่ดูแลเขาเวลาเขาเดือดร้อนนะเวลาเขามีปัญหาเวลาเขา มีสุขมีทุกข์เนี่นี่คนนี้คนนี้ดูแลเพรอย่างนั้นฉันยกชีวิตนี่เขาจะเอาอะไรโอบอกไว้เลยท่านใจเลือกใครนี่บอกไว้เลยก็ไม่ต้องทําอะไรและนี่มันถึงแม้ว่านักการเมืองคนหัวหน้าพรรคคนเลวที่สุดในประเทศขอให้เลวที่สุดแต่ในสายตาของคนที่ถูกดูแลเนี่ยเขาจะอมองไว้เลยไหะ ไอ้คนดีๆเนี่ยมาหายหัวไปไหนตอนนี้ปูดร้อนตอนนี้มีปัญหาลูกมีปัญหานน่กม็มีแต่คนๆ น, นี้เนี่ยที่เขามาดูแลฉันเฮ้ยแตเงินเขานี่เขารู้ว่าเอามาจากไหนยัาไม่วนไม่เกี่ยวชาวบ้านก็ไม่เกียเก่ยวนี่แล้วบอกว่าจงย้ายทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกลูกของพวกเขาผักพวกลูกหลานเยอะเงีครอบครัวใหญ่โต เป็นที่พึงใจแก่เจ้าอนนี้ระบบระบบการเมืองก็เป็นแบบนี้เอาพี่น้องว่าไหมพี่น้องเคยเห็นนักการเมืองเดินไปไหนแต่ไหนเนี่ยเอาไว้ตรงนั่งสอสอแล้วว่าเป็นสอสอเดินไปไหนแต่ไหนเนี่ยคนเดียวคนเดียวเคยเห็นไหมหรือนักการเมืองนี่ต้องเดินนี่ต้องมีองค์ครร์ฮะ ไปผักไปร้านอาหารนี่ออกมาคือต้องต่อโต๊ะนี่คุมีมีโต๊ะของท่านแล้วก็มีโต๊ะของอลูกน้องเขานี่เป็นส10บคนนี่มาด้วยมีคนเปิดประตูมีคนปิดประตูให้มีคนใจแต่เขานักการเมืองพวกนี่เขาต้องเลี้ยงอนะไรพวกนี้มีเงินเดือนนะั่นก็ต้องเลี้ยงหมดเลยนะใช่ไหมและในสายตาของสังคมเนี่ยนักการเมืองที่เดินคนเดียวกับนักการเมืองที่เดินแบบมีองค์ครณะเนี่ยใครที่นา่า ภูมิใจมากกว่าในสายตาของคนในสังคมทั่วไปไอ้ทหารเ ก, กินเมืองเดคนเดียวดูถ้าทักเนี่ยมันไม่ให้เลยมันมันไม่ได้อะนักการเมืองคนเดียวไปไหนแต่ไหนเดือนคนเดียวคือรถเมล์เนี่ยนักการเมืองเคยเห็นไหมนักการเราม่เห็นเนักการเมืองก็ต้องเบนก็ต้องสีดําด้วยไม่เข้าใจว่าเขามีอะไรกับสีดําต้องเป็นรถตู้สีดํารถเบ้นสีอะไรมีเ็มสีอะไรดำํดำๆอย่างเนี้ย รชอบอยู่ในความมืดไม่สำหรับผู้ศรัทธานี่ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสำหรับคนตัวใปนี่นะเขาจะชอบยังไงจะรักอาจารย์อะไรเป็นมาตรฐานในสำหรับมุสลิมเนี่ยเราบอกว่าไม่ใช่ของพวกนี้ที่จะที่จะมาหลอกลวงสายตาของผู้ศรัทธาเราเห็นคนแต่งตัวดีไม่ใช่อันนั้นแนหะที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนน่ารักไม่ใช่คนคนนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยเขา ทรงผมเขามั น, ม น, มนหล่อเนึกเกินในคนนี้ในะแต่งตัวของแบรนด์นแสดนนงว่าคนนี้นะเนี่ยเอาท่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชจากพระพุทธเจาต้องดูดูเรื่องอื่นดูอย่างอื่นดูอะไรดูในตัวเขาคําพูดวาจาของเขามารยาตของเขาอบิบาดะของเขาศา ส, สนาของเขาซึ่งเรื่องนี้นะนะเป็นต้นทุนส่วนตัวของคนทุกคนไม่ต้องมีสายตระกูลไม่ต้องมี สตังไม่ต้องมีสรสมนไม่ต้องมีอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่เราต้องขนขวายเองเรื่องมารายาทคำพูดวาจาเรื่องศาสนาความศรัทธาตะกว่านี่คนงานของทุกคนทุกคนนี่ทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีต้นทุนจากใครเลยไม่ต้องมีก็ต้นทุนจากบรรพบุรุษไม่ต้องมีต้นทุนจากการสะสมลงทุนทาธุรกิจอะไรไม่ต้สะสมด้วยตัวเองล้วนๆคนไม่มีลูกแต่งงานแล้วไม่มีลูก ในสายตาของอาหรับนี่เเป็นคนไร้ค่าไม่มีค่าคนคนไม่มีไม่มีไม่มีอนาคตนะแต่งานแล้วฉันไม่มีไม่มีหรอกสมัยน้นอาหรับถ้าแต่งงานไม่มีลูกแล้วเนี่ยโอ้ต้องแต่งคนที่สองต้องมีลูกให้ได้ไม่ใช่อาหรับอย่างเดียวนี่คือยุคคนรุ่นก่อนทุกเชื้อชาติเลยมีลูกไม่ได้ต้องมีลูก ว่าอย่างคนจีนต้องมีลูกต้องมีลูกผู้ชายด้วยลูกผู้ชายนี่ลูกผู้ชายนี่มีค่ามากกว่าลูกผู้หญิงถึงแม้ว่าลูกผู้ชายนี่ไม่ได้เรื่องเลยถึงแม้ว่าลูกผู้หญิงที่ช่วยได้ทุกเรื่องทุกเรื่องเรื่องธุกรกิจเรื่องบ้านเผู้หญิงดูแลหมดแต่ลูกชายนี gain, gold, ่เกเรเป็นเรื่องแต่ลูกชายนี่ก็ยังเป็นต้องเป็นคนปโปรดสําหรับคนทั้งทั้งครอบครัวเลย ขานมนี่มาจากไหนเรื่องเพศนี่ให้ความสำคัญกับเพศในอิสลามก็ไม่มีนะนเพศชายนี่มีความวิเศษกว่าเพศผู้หญิงเนี่ยก็อิสลามก็ไม่มีเช่นเดียวกันเลาบอกว่าที่ให้มุนาฟิกีนยเขามีทรัพสมบัติเขามีเงินทองเขามีเขามีปัจจัยด้านวัตถุเนี่ย <c oughs> แท้จริง อันนต้องการี่จวกขาานับใช้พระเจ้าแต่ให้จักการรับใชิตขอเขา ออกจากร่างไปขณนะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิสิธศรัทธาเท่า น, านาั้นก็หมายถึงว่าหลงไปกับดุนยาตลอดนี่อลัลลอฮ์ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนดีพระองค์ไม่อยากให้เขาหลงกับโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้ น, อ ย, น, นอย่างที่อุลมามะได้บอกว่าดุนยานีน่นะคาว่าดุนยานี่ก็หมายถึงวาทุกสิ่งที่มันเป็นปัจจัยดุนยานี่อลัลลอฮ์ให้หมดเลย คนที่เป็นผู้ศรัทธาและคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาอด ห, หมดเลยดุนยานี่อัลล์หมายจะบว่าดุนยาเนี่เพราะมันมันไม่มีค่าสาหรับอัลลอ์แต่อาคือรลศ ส, สนานีอัลลอ์ให้เฉพาะคนที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นฉะนั้นเห็นคนได้ดุนยานี่ก็ไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาหลือเกินนะไม่ใช่เลยเพราะท่านนาบีสุลตาลมบอกว่า لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوض ما سقى الكافر منها شربته تدنيا تموت เนี่ยมันมีน้ําหนักเทียบเท่ากับปีกยุงข้างหนึ่งยุงไม่ใช่ยุงทั้งตัวเนี่ยแค่ปีกมันนปีกยุงสักข้างหนึ่งแต่ดุนยานี้ทั้งหมดนี่นะมันมีน้ําหนักเท่ากับปีข้างหนึ่งของยุงตัวนี้นี่นะ Safe see, safe. Na, e na, a l ab, ne, log, ni, a h จะต้องเซฟสิเซฟริสกีปัจจัยเนี่ยกาเฟนนี่น่าจะไม่ดื่มน้าแม้แต่อึเดียวถ้าดุนยามีค่าแค่นี้นะแสดงว่าแต่ Allah ก็ให้กาเฟนจะกินจะดื่มจะอะไรนี่กระเชิญก็แสดงว่าดุนยานี่ทั้งหมดนี่ดทรัพย์สินในโลกดุนยานี่มีขนาดไหนนะอันี่นะมันไม่มีค่าแม้แต่ปิกยิงกยิขเดียว และทำมาตรฐานของอัลลอฮ์นี่ที่เป็นพระเจ้าของเราที่เราเคารพสักการะนี่เป็นมาตรฐานที่อัลลอฮ์ยึดปฏิบัติอยู่เนี่ยเขาจะต้องเป็นมาตรฐานของเราโลกดุนยานี้ในสายตาทาให้ได้เนี่ยทําห้ทำให้มันเป็นรูปธรรมดุนยานี้อย่าให้มันมีความสําคัญในสายตาของเรามากกว่าปีกยงุง หมายถึงว่าในชีวิตของเราเนี่ยเวลาเกิดอะไรที่ต้องเทียบระหว่างระหว่างศาสนากับปัจจัยต่างๆของโลกกาลังขายของเงี้ยถึงเวลาแล้วมาแล้วขายของอีกนิดหนึ่งอาจจะได้สักสองสามรอยอาจจะได้สักสองสามรอยเวลาแล้วมาจะหมดแล้วนะอาจจะได้สักสักห้ารอยนี่เทียบ ไม่มีค่าเลยได้ห้าร้อยแล้วไม่ทันเวลาละหมาดวละหมาดนี่มันหมดแล้วไม่ทันขาทุนยับเลยสำหรับมุสลิมนะสำหรับผู้ศรัทธาที่มีมาตรฐ า, านคนเราไม่มีค่าเลยขอให้มันเป็นพันล้านนะนะไม่ทิ้งละหมาดเรื่องนี้เนี่ยคนตะวันตกนี่เขาเขาเห็นมุสลิมที่อพยพไปอยู่แม้กระทั่งคนที่รับศาสนาอิสลามเลย บ้านเมืองของเขาเนี่ยเห็นว่านะมุสลิมเนี่ยเวลาเขารับอิสลามเนี่ยเขาจะเข้งขันนะไม่ยอมทิ้งละหมาดไม่ยอมถือสินนี่ต้องถือสิญอนทิ้งถือสิญอนไม่ได้เห็นไหมคลิปคนฝรั่งที่เขาอยากจะทดลองมุสลิมเอาไอ h o n e 14รุ่นรุ่นล่าสุดนี่นี่ให้เลยถ้าแกบุตรละสิญจนะ์ะกวันนะหมายถึงว่า เสียบวตไปเลยผมาไม่ได้ทีน่นะเอาอีกเครื่องนึง่งนะเอาสองเครื่องเลยโอ้ยนะทำไม่ได้ไไดรู้สึกทไม่ได้เอาสามเครื่องเลยเคยเห็นไหมคริมดเขาทึ่งนั้นเองทีงเนี้ยแก่แก้บวตอันนี้ในใสายตาขเขาแค่แกบวตมันจะอะไรผู้หญิงคนหนึ่งให้ให้ตั้งบึกหนึ่งให้พันดอลลาร์นี่ พอดที่จามเนี่ยคือเขาแกล้งอ่ะแต่เขาาอยากจะรู้อะมุสลิมอเค้งคัดนักหกนาจริงหรือเปล่าหรือ <c oughs> ขอขอทดลองหน่อยดิเอาว่านี่พันดอลลาร์นี่ถอนนี่ถอนนิดนึงถอดวินาทีเดียวไม่ถอดถอดไม่ได้ <c oughs> เนี่ยถึงเขาทึ่งว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่ง สตังขนาดนี้เนี่ยปัจจัยแบบนี้เนี่ยมันไม่มีค่า ใ, ใสายตางเขาทั้งทั้ทงดีถ้ากว่าเขานี่ศา ส, สนาอื่นนั่นแะอาจจะคิดคิดแต่คิดสำหรับมุสลิมนี่ไม่ลังเลเลยเรื่องนี้แน่นอนกน็อาจจะเป็นกรณีบางกรณีที่มุสลิมอาจจะยอมทําก็ได้มุลมหัวหมอหน่อยเออเอาไปเถอะไอโฟนสามเครื่องแล้วก็ ล้าสินอดสั้นแล้วกันดูไปเท้าบา ต, ตัวแล้วกันหัวหัวหัวหมอแต่หัวหมอนี่ก็มีตลอดนะหัวหมอพวกเราทุกคนนี่ก็อาจจะมีหัวหมอแบบเนี้ชั่วคราวทำไปแล้วเดีก็เท้าบาดตัวทําไปแล้วเดีวก็ก็แก้ตัวเดีวเราบุญต่อทําบุญมุสลิมฉะนั้นมุสลิมไม่อายนะแล้วในเมื่อปัจจัยเหล่านี้วัตถุ เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้เป็นที่พึงใจพึงพอใจโอ้โทรศพัพท์ของพวกคุณทุกคนนะผมนี่ตั้งใจแล้วนี่ตั้งจะจะเริ่มบัญญาินี่จะบอกว่าโทรศัพท์นี่ปิดทุกคนจะปิดปิดใน ไ, ดไม้ขอรอ้องผมนี่จะได้ป้องกันไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะ ก็จะอายเงี้ยะคับทุมันอายมุสลิมก็ไม่อายสิครับ <c oughs> เราไปที่ไหนเนี่ยใส่เสื้อธรรมดาไม่ใช่เสื้อแบนด์เราใส่กางเกงธรรมดารองเท้าธรรมดามันไม่ใช่แบนด์ไม่ใช่อะไ ร, รหรูหราแต่เห็นเข้ามาโอ้โหยมาม า, มาแบบแบนแบนแบนแบน <c oughs> ไม่ไหายเฉยเฉยที่สุดเลยทำไมอ่ะเพราะ คุณค่าของแบรนด์เนี่ยมันเป็นคุณค่าสะสมมันไม่ได้เกิดจากความเออมันมีพอจะไปดูแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยวัตถุดิบของมันนี่ยแมีเคยคนเขาเคยทำงานวิจัยนะบอก็เนี่ยแบรนด์นี้หรืรไม่เนี่ยวัตถุดิบเขาทํามาจากอันเนี้ยนี่ี่มูลค่าของมันนี่กนะ็มไม่ต่างอะไรกับสินค้าที่อยู่ท้องตลาดทั่วไปแต่แบรนด์นี่มันคืออะไร มันมีชื่อเสียงมันมีโฆษณาก็าต้องจ้างดาราใส่แบรนด์นี้มาโชว์ชาวบ้านเชาว่าโห้ยฉันใส่แบรนด์ของดาราคนนี้ฉันใส่แบรนด์ของคนคนนี้ฉันใส่แบรนด์ที่มันถูกขายในในอเมซอนเนี่ยสามหมืน่นสี่มื่นคนเวลาจะเห็นฉันโอ้ยนู่นนี่โอ้ยนี่ข้ามหมื่ น, นทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องคุณมูลค่าสะสมมันไม่ไดีอยู่ มูลค่ามันไม่ได้อยู่ในตัวในตัวเช่นมุนาฟิกินนะี่ยถ้มีเงินมีทองมีอะไรเนี่ยมูลค่ามันไม่ได้อยู่ในตัวเขาแล้วจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าผู้สักกามีนะผู้สักกาก็จะต้องพิถีพิถันในการที่จะไม่ให้ปัจจัยเหล่านี้ม่แห่งเงินทองไว้เนี่ยเป็นเป็นสาเหตุที่จะทําให้อาร้อ ล, ลงโทษเพราะอานรบอกง เราบอกว่าเราจะให้สิ na. ่งเหล่านี้เน ah. ี่ยเป็นสิ่งที่ลงโทษกับเขาลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในโลกนี้ภาษาในลัทธิสริบอกว่าถ้าเป็นผูบะเดชิตาถ้าเป็นกาเฟเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยเหล่าเนี้ลงโทษอย่างไรลงโทษหมายถึงว่าเขาจะเสพสุขกับสิ่งเหล่านี้ในโลกดุนีย์นี้ แล้วก็ในโลกหน้าเนี่ยในโลกหน้าเนี่ยก็จะถูกลงโทษแต่นี้อัลลอฮฺบอกว่าอย่าดิบอย่าดิบบะฮฺม์บีเฮะฟิดุนียะฮะฟิดุนียะยังไงแล้วคนผู้บริสตานีจะถูกลงโทษด้วยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยในโลกดุนยานี้ยังไงเขาบอกว่าด้วยด้วยความหวงแหนด้วยความตรณี ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอยากได้ได้แล้วไม่อยากให้คนอื่นได้เหมือนตัวเองนะคนขับรถเบนซ์สิบล้านอย่างเงี้ยเขาจะมีความสุขมากถ้าเขาขับรถเบนซ์สิบล้านแล้วก็โตยโยต้าห้าแสนนิสสันล้านนึงอะไรเ ไ, ไอ้ไอ้พวกคิเล่ที่มันมากับเนี่ย กูนีสบล้านนะเว้ยแต่ถ้ามีรถถ้าจะมีรถบีเอ็มสิ้าล้านอย่างเงี้ยมาเนี่ยหดเลยไอพวกนี้เนี่ยไม่ชอบใครจะมาข่มเขาเนะเขาต้องข่มคนอื่นได้มแต่ได้ไหมโอ้อวดกับชาวบ้านด้วยปัจจัยเหล่านี้เขาก็หเหนือฟ้าก็ต้องมีฟ้านะ่ะแน่นอนและนี่เป็นการทรมานอุทธรรมานมากสิทรมานมากเลย ี่แข่งขันกันนะแข่งขันกันซื้อของแบรนด์เพราะอะไรก็เพราะเรื่องนี้ไม่มีนะคนที่เขามีสตังก์แล้วก็ชอบแล้วก็บ้าแบรนด์เนี่ยมีรองเท้าคู่เดียวในบ้านไหมไม่มีนะมีเป็นไป ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ที่บ้านนรองเท้านะ่ยต้องเป็นสิ บ, ส, บสิบคู่เลยคนะุณขานาดต้องมีห้องเก็บรองเท้าเฉพาะเลยห้อง ห้องเก็บเสื้อพวกเรานี่จะมีตู้เสื้อผ้าใก็ไม่มีตู้นะก็เป็นห้องต้องเป็นห้องเสื้อผ้ากนะ็ย้ํานะแล้วก็มีไม่ได้เอามั้มีแต่จะมีของแบรนด์ก็มีได้แต่สำหรับสำหรับผู้ศรัทธานี่สิ่งเหล่านี้เนี่ย ใ, ในสายตางผู้ศรัทธามีกับไม่มีเนี่นะมีค่าเดียวกันผู้ศรัทธานี่ ตอนบายในซื้อของซื้อของแบรนด์โอ้โยสวยมากแต่สายสายนี่นะโอ้เนี่ยไปโดนอะไรเนี่ยขาดของแบรนด์นี่มันขาดไปเลยฮามดูลิลล ะ, ก, ะก็จะไม่ก็จะไม่รู้สึกอะไรอ๋อไมโชโช่ใโอยจเก็ตนี่ฉันซื้อมาสีำำ่0มื่นมันต้องมัต้องเรื่องก็นี่ไงที่จะถูกลงโทษในโลกดุนยาี้นี่ก็ทุกทรมานด้วยความเสียใจในปัใจจัยใน ในทับสมบัติเหล่านี้นี่ั่นสมถตหของผู้ศรัทธานี่นิยามไม่ง่ายๆนะสมถตของผู้ศรัทธานี่หมายถึว่าดุนยานี่อยู่ในมือไม่ได้อยู่ในหัวใจดุนยาอยู่ที่มือไม่ได้อยู่ที่หัวใจเช้าหนึ่งได้มาล้านหนึ่งตอนเย็นในล้านที่หายไปละมีคนขโมยไปและ้หลและหัวใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่คนหนึ่งได้มาล้านหนึ่งหายไปนั่นล้านหูนี่เศร้า เศร้าถึงขนาดที่ต้องเครียดตรงต้องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรพราขาดทุนผู้ศรัทธาลงทุนขาดทุนลงทุนขาดทุนค้าขายขาดทุนทำดุลละพยาไม่ได้ไหมแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาหรือคนที่อัลลอฮ์นี่ไม่ดีอยู่ในหัวใจลงทุนขาดทุนค้าขายขาดทุนลงทุนขาดทุนก็ทำไม่หย่าทำไมอัลลอฮ์ต้องทํากับฉันแบบนี้อ่ะทำไมอ่ะ ฉันก็ลมาดสะอาดนะฉันก็ทำบุญนะฉันกันมีมีคนพูดแบบนี้จริงทำไมอัลลอ์ต้องทดสอบกับฉันขนาดนี้ย่ะนี่ถึงจะเป็นมุสลิมแต่นี้ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่อิมานที่เราต้องการที่อัลลอฮ์ต้องการจากเราน่ยไม่ใช่ทดสอบนีหัวใจของเราเนี่ยเชื่อมั่นนี่อัลลอ์ะผู้ปฏิสธทานนี่ ปัญหาของเขาเนี่ยเขาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่พอใจหรอกแต่เขาไม่พอใจที่อัลลอฮ์ส่งท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่านละวะเลือซัลลัมไม่พอใจที่อัลลอฮ์ได้ประทานกุฎอ่านลงมามีหลักการห้ามกินเหล้ามีหลักการห้ามดอกเบี้ยนี่ถึงขนาดที่ชาวมักกะเนี่ยที่ไม่ยอมศรัทธาต่อนบีเนี่ยเพราะคำสั่งสอนอิสลามนี่มันเปลี่ยนชีวิตของเขา เขาจะต้องไม่มีสโสเพณีไม่มีดอกเบี้ยไม่มีไม่มีการพ น, นันไ ม, ม่ชีวิตของเขาที่มันอยู่กับสิ่งเหล่านี้เามากะอาลลอฮ์จะได้เปลี่ยนเรืองนี้ไม่ได้เขารับไม่ได้ประเด็นไม่ใช่แค่เมกะอัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เมกะอิลาลอฮ์เนี่ยมันต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตและเรื่องนี้มันก็เป็นบทเรียนสําหรับพวกเราที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกวพวกมุนาฟิกิน เขาจะหลงตามปัจจัยภายนอกเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องอะไรเนี่ยก็หมายรวมว่าคนที่มาเฉาี่ยวมูลนิภคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะต้องไม่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะของมูล น, นิภินอันนี้ตัวนี้ต้องไม่มีก็คือไม่หลงตามทรัพย์สมบัติมุสลิมที่หลงตามทรัพย์สมบัติเถึงขณะที่ต้องทะเลาะกับพี่กับน้อง ในการแบ่งมรดกอันนั้นนแสดงว่าความศรัทธาอิมานคงในหัวใจของเขาเนี่ยใช่ไม่ได้ล้มแ น, น่มุสลิมถึงขนาดที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลให้กฎหมายกาเฟมดาศินในเรื่องแบ่งมริโหรือเรื่องอื่นก็ตามมานั่นหัวใจอิมานที่อยู่ในหัวใจนี่ไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายให้ความสําคัญกับทรัพย์สมบัติมากกว่า ลักการชำระว่าฮุกมุ่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่ไงทางการกับพวกมุน่าฟิตลเราประกาศเราบอกโอ้อวดกับชาวบ้านในในการทําอิบาร่าบางชนิดที่ทําให้เราเนี่ยพึงพอใจว่าอันนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมละเราละหมาดห้าเวลาถือบวชถึงเวลาจะมีเงินก็ไปทําอุโมงค์ ไปตทำางานสุราแล้วก็ไปช่วยงานสุราแต่เรื่องอื่นในชีวิตของเราที่เป็นที่เป็นบททดสอบเป็นบททดสอบในเรื่อง إ ي م านแท้ๆเลยนะเราก็ไม่ให้ความสำคัญที่จะให้อิสลามเนี่ยเข้ามายุ่งกับชีวิตของเราขนาดนั้นเพราะเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้และพึงพอใจละมา ทำอุ้มรอดทำอะไรคือยิ่งบ้านเราเนี่ยในที่อื่น น, นะผมเคยอยู่ประเทศอีก่อนนะสลิมมาบางคนเนี่ยไม่ชอบไปทำฮัตไปทำรอดทำไมรู้ป่ะโอ้โหไปแล้วก็ต้องโกศีสระว่าอะไรนี่มันเพราะในสังคมแบบว่าสังคมอาหรับพวกอาหรับแบบร่วมสมัยเนี่ยเขาเขาถือว่าล้าหลัง แต่บ้านเรานี่คนไทยนี่ถ้าเป็นมุสลิมมันนะโอ้ยถ้อไปทำฮัดไปทำอมร้อนนี่ไปโกนผมไปอะไรเนี่ยมันเหมือนไปบวชเหมือนไปบวชบวชวัดน่นนะและเรื่องนี้ในสังคมมั น, มนรับได้ก็เลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอายไปทยิ่งอยากโกนแล้วเวลาเพื่อน ดังส้นีก็ถามไปทาอะไรมาสเสแวงบุญแอะไรมาสวงบุญกูไปบวชนมาไปบวชแบบอิสลามานะืน่ะเ้ยกกคล้ายกันนะแต่พวกพาเหรดของกูนี่พา พ, พ, พข่าวคล้ายกันคือมันมีสตอรี่เนี่ยให้ให้ให้ใหกลมกลืนนะให้เออดูไม่ไ ม, ไม่เหมือนกันแหละถ้าเป็นที่อื่นเขาไม่เห็นอาหรับเนี่นไม่ชอบเลยหุร้อ แล้วอะไรเรื่องหลักการศาสนาบางอย่างเนี่ยเราทําแล้วก็ภูมิใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อ่สังเกตไหมทำหาดอมรอกันตอนอยู่หาดอมรอนี่ไว้เขานะ่าเพราะกลับมาเลยก็ต้องไปทํางานไปอะไรนั่นน่ะโอ้เข่าไม่ได้เพอันนี้สังคมคอรัปไม่ได้โอ้ยเข่ายิ่งจะเป็นทหารเป็นทหารเป็นตาาํนต า, า ร, ตรวจนี่หนูเป็นเรื่องเลยไม่ได้ ละหมาดเนี่ยเวลามันจะมีปัญหาแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ละหมาดถ้าละหมาดเนีมีปัญหาไปที่ไหนเนี่ยโอ๊ยประชุมกันผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วก็รูเหมือนว่าจะละหมาดนี่แทบจะยากนะถ้าเราขอตัวขอจะบอกขออะไรขอไปละหมาดเราจะไปหาที่ละหมาดที่ไหนให้เราแตจะไปจะไปปูที่ไหนจะละหมาดจะลุกขึ้นลงลง่องด้อจะว่าไม่ต้องกนไปละหมาดว่า แต่ถ้าละหมาดนี่อ้ทกคมีที่ละหมาดให้อะไรให้เนะราละหมาดแต่ถ้ามันลำบากล่ะถ้ามันยุ่งยากอะ่ะถ้ามันอายอะ่ะอายชาวบ้านเขาอะ่ะไม่ละหมาด ท, ทั้งหมดเนี่ยเชิญชวนพวกเราให้สารวจตัวเองสารวจชีวิตของเราเพราะมีเรื่องบางเรื่อ ง, องที่มันเกิด ในสังคมของเราแล้วคนคิดว่ามันแค่แค่เรื่องทํากับไม่ทําก็คือมันนี่ก็เรื่องแค่ไม่ละหมาดคือไม่ทําอะไรไม่ใช่เรื่องมันอาจจะลามไปถึงหัวใจว่าตกลงเป็นผู้ศรัทธาเต็มร้อยหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความภูมิใจในหลักการหรือไม่ภูมิใจอับอายในหลักการมันก็จะเป็นประเด็นของพวกมุนาฟิกเนี่ยเขาไม่เต็มใจไม่เต็มร้อยที่จะทําที่จะปฏิบัติอับอาย สมมตินะครับบัวมีมุสลิมนี่ละหมานี่เข่งขัดละหมานี่เข่งขัดละหมานี่ไม่ทิ้งเลยแต่เรื่องอื่นนะเรื่องพบเพื่อนพบเพื่อนต่างศาสนิกไปเที่ยวกับเขาที่ถึงขนาดที่ไปเที่ยวผักไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้สองทุ่มถึงเวลาอิชานี่เขากำลังสนทรีกับวงเล่ากับดนตรีกับอะไรนี่ คนนี้เขาเค่งละหมาดไงให้เพื่อนพักนี้มีห้องละหมาดไหยวะเขาจะกล้าเขาจะกล้าถามเหรอไม่ไปได้อ่ะพักนี่จะมีหรือจะไปเรียกร้องสิทธิ์ทำได้ไงอันนี้พักนี้มีคนทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเข้ามาต้องมีห้องละหมาดมุสลิมด้วยหรือมันจะเป็นมา ใ, ในรูปแบบนั้นนะตลกสิครับตลก แน่นอนมุสลิมไปอยู่ที่นั้นไม่คือไม่ต้องคิดหรอกว่าจะละหมาดทำไมอาชอาพฉันจะละหมาดได้ไงไปอาบอบนวดอย่างเงี้ยกำลังนวดอยู่ถึงเวลาละหมาดเฮ้ยมีที่ละหมาดลยตลกสิตลกสิ่สดีเลยเพราะพรารู้ไงว่าสถานที่แบบนี้นี่มันไม่มีรเรื่องศาสนาแต่ผมก็แค่สมมุติฐานว่าถ้ามุสลิมเนี่ย คนในสังคมของเราเนี่ก็จะมีมุสลิมที่แบบเ่อกั้มึงเนี่ยกั้มกึงก็เป็นมุสลิมเขาเมสซิดละหมาดแต่ถแต่เงยคืน น, นี่ก็จะเป็นเป็นข้างข่าวไปเลยเ ป, ประเภทข้างขาวเลยเทำยังไงในมหาลัยเราอยู่กับเพื่อนต่างศาสนิกาถึงเวลาละหมาดนี่เราจะอายไหมถึงเวลาละหมาดเวลาละหมาดจะหมดแล้วเนี่ย จะอายไม่ให้เพื่อนทุคนนคนกคนคนนี้เดู๋วผละหมาดก่อนนะถ้าเราอายแสดงวาาดใใา่าเราไม่ภูมิใจในศาสนาแล้วก็ไม่ภูมิใจศาสนาเนี่ยที่ต้องเอามาคิดต้องเอามาคิดมันจึงจะรู้นะครับว่ารับอิสลามเนี่ยการรับอิสลามเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ การที่เราจะรับอิสลามไม่มีอิสลามแต่การที่ยืนยันในอิสลามนั้นนะมุสลิมโดยกําเนิดนี่ยังไม่บางคนยังไม่ผ่านเลยทั้งนนันผมฟังเชคซัลมาโนดาบอกว่ากระบวนการดาวอิสลามเนี่ยไปเปิอิสลามแล้วก็ภูมิใจว่าคนเข้าอิสลามเยอะ ทุกวนนี้เนี่ยก็ยังมีการแข่งขันกันโอ้สลิมเขาเยอะนะคนนี้น่ยโอ้นี่วัดวัดดูเลยเนี่คนรับอิสลามทุกวันเลยเนี่ยราการเขาเนี่ยคนรับอิสลามทุกวันเลยไอที่รับอิสลามทั้งหมดเนี่ยไปตามดูไหมยังไงอะรับอิสลามแล้วเป็นยังไงรับอิสลามแล้วก็ถึงไหนอะอิสลามที่เอาไปให้เอาไปให้เขาเนี่ย เราได้สอนเ ข, า, ข, า, ขาแค่ละอิละอิลอแ ล, ล้ละกะวกัวะสลามใชมแล้วก็โทรมาที่สองเนี่ยอาจารย์ผมมีปัญหาเรื่องเรื่องศาสนาเนี่ยอาจารย์เคลียให้ผมหน่อยเนี่ยจะมีเวลาไม่คนที่รับอิสลามเยอะๆเนี่ยมีเวลาจะเคลียให้เขาไห ม, มันไม่ใช่เรื่องให้คนเอาคนลากมารับอิสลามแล้วก็ปล่อยเขาเขาจะไปยังไงก็ไปวิถีชีวิตที่จะทำให้เขานี่ปรับปรุงหมดเลย ปรับปรุงทุกอย่างเรึง่งระบบครอบครัวระบบการเงินระบบทั้งหมดเลยไม่งั้นมันไม่ได้เป็นผลงานที่น่าภูมิใจนะแต่มีมุสลิมมีออรับอิสลามเยอะออรับอิสลามก็คือยังเหมือนเดิมแหละที่เปลี่ยนนะเน่ยเขาบอกว่าอรับอิสลามถึงแม้ว่ายังกินเหล้าถึงแม้ว่ายังซินานะ ดีกว่าไม่รับอิสลามตายเป็นกาเฟ่เนี่ยให้รับอิสลามมาก่อนมันก็ถูกต้องโดยหลักการน่มันถูกต้องแต่ น, นี่เราพูดถึงหน้าที่ของคนที่เขาเผยแพร่ อ, อิสลามเนี่ยคุณบอกขแ้แรกว่าให้รับอิสลามใช่แต่ยังเป็นหน้าที่ของคุณนะนะที่คุณบอกว่าเป็นมุสลิมทำซินากินเหล้าดีกว่าเป็นกาเฟ่ที่ทที่ทาซินาแล้วก็กินเหล้ามันก็จริงแต่ไม่ใชนหน้าที่ของคุณ เพียงให้คนเข้าได้รับอิสลามแล้วก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอดีเ๋เนี่ยไม่คุณดูถ้าคุณมีการพยายามมาแล้วที่จะให้เขาเข้าใจอิสลามแล้วก็รับอิสลามเนี่ยคนก็ต้องมีการพยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข่งข้นในหลักการเรามีการพยายามในเรื่องนี้ไหมไอคนที่สอนเรื่องพิสูจน์พระเจ้ามีไม่มีอะไรเนี่ยโอ้สอนซะเยอะเลยพอสอนแล้วเนี่ยมีไหมสอนเรื่องมารยาทอิสลามเรื่องหลักการศาสนาอิสลามเรื่อง เรื่องเรเยวัดอิสลามต้องเป็นยังไงสอนเป็นเป็นขั้นเป็นตอนให้คนเขาจะอิสลามแบบนี้มันมีไหมเรายังบกพร่องหมไม่ได้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยประชาชาติอิสลามในเรื่องนี้นี่ยังบุกร่องกระบวนการเผยแพร่อิสลามเนี่ยมันต้องครบวงจรไม่ได้สอนให้รับอิสลามแล้วก็จบกันจบกันนะไม่ต้องทําอะไร ว่าจะแหอันฝุ่นของมุม์กัฟรุนคืออัลลอห์ผู้สตาเนี่ยได้หลงได้พึงพอใจในทรัพย์สมบัติของของมุนาฟิกเนี่ยเพราะเลาจะลงโทษเขาด้วยทรัพย์สมบัตินี้นี่แต่เพียงที่บอกว่าถ้าเป็นผู้บริสตาเนี่ยทรัพย์สมบัติในโลกดุนยานี้เนี่ยจะทุกข์ทรมานด้านอิจฉาริษยาเจ็บใจว่าคนอื่นมี กว่าดีเด่นกว่าเข้าอันนี้เนี่ยเขาจะจีบใจเรื่องดุญญนี่ในวันเกียร์มาเนี่ยอันนี้แน่นอนก็จะต้องสอบสวนแล้วก็ลงโทษถ้าเป็นมุสลิมละ่ะแล้ะก็มีนิสัยพึงพอใจในเรื่องแบบเนี้ยก็หมายถึงว่ามีลักษณะเหมือนมูนาฟิกีเนะ่ยพึงพอใจในเรื่องทรัพ ส, สมบัติในเรื่องวัตถุในเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรแบบนี้ฮะซาเนลบรซ์รีได้บอกว่า การทรมานลงโทษของเขานี่ยนะก็คืออัลลอฮฺจะลงโทษกับมุสลิมพวกเนี้นะด้วยการออกสากาดทำไมเพราะการออกสากาัดนี่มันเจ็บสําหรับสําหรับคนนี้ทำไมฉันฉันจะต้องฉันจะต้องมาออกตังละ่ะฉันแทนที่จะเอาตังนี้มาสวยสุขมาได้ ได้ดิบได้ดีเต็มร้อยยังจะต้องมีหักคนที่จ่ายภาษีแล้วก็รู้สึกไม่พอใจใช่ไมเนยส ก, กัดก็เหมือนกันแต่สําหรับมุสลิมในเรื่องใจ่ายภาษีไม่พอใจนีได้เพราะนี่มนุษย์เอาจากมนุษย์แต่สกัดนี่เราไม่เ ช, เ, เชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้านี่เอาจากเราเนี่ยเปให้มนุษย์ฉะนั้นมุสลิมเนี่ยต้องมีความพึงพอใจในเรื่องการออ ก, ากาสกัดสําหรับมุนาฟิกนี่ไม่ใช่สําหรับมุนาฟิกนี่ทรมาน ไปเก็บสกัดอย่างทรมานเหมือนมุนาฟิคนนั้นนะที่บอกกับท่านนาบีขอดูอาให้ฉันถ้าฉันร่ํารวยแล้วดูฉันจะออกสกาดให้พอรวยแล้วนี่ไม่มีไม่มีไอ้อยู่ซาออลาก็จะให้อยู่แบบนั้นนะนะว่าจะเรื่องคมฟุ้งฟูมกาฟิรุนและที่จะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากกร่างไปขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น หมายถึงว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เขาตายในสถานะเป็นกาเฟตในฐานะที่เป็นกาเฟตเพราะอะไรอัลลอฮ์ถ้เขาไม่อยากจะตายในฐานะเป็นกาเฟตอัลลอฮ์จะบังคับไม่ได้คุณไม่อยากจะตายในฐานะที่เป็นกาเฟตเนี่ย แล้วคุณก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็ปรับตัวที่จะเป็นคนดีเป็นผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺปรารถนากับทุกคนแบบนี้แล้วอัลลอฮฺจะไม่ให้คมณต้องเป็นกาเฟตไนเป็นกาเฟตเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮฺรู้ในหัวใจของคนคนหนึ่งว่าเขาต้องการเป็นผู้ศรัทธาเป็นคนสะอาดเป็นคนดีของอัลลอฮฺแล้วอัลลอฮฺจะไม่ให้ไม่ได้คุณต้องตายเป็นกาเฟตเดียวอัลลอฮฺไม่ทำหรอกอะไรนนี้ล่ะ อันนี้พอเขาเลือกจุดเริ่มต้นของเขานี่เขาเลือกถ้าเลือกแบบนี้เนี่ยอันนอคก็จะอย่างนั้นก็จบจบไปตามที่ตนเองเลือกต้นทางเป็นเป็นไปแบบนั้นเลือกหมอรักษาคนป่วยบอกว่าต้องต้องกินยาแบบนี้สักหเดือนโอ้มผมไม่ไหวนะผมมันไม่ได้ต้องออ ไ, ไม่เอาไม่เอา มันมีอย่างอื่นไหมมียานี่กินเดือนเดียวแต่เสียนะเส่ยงนะเสี่ยงน้ําอาจจะตายก็ได้นะเอาเอาผมเลือกเอาแล้วแต่เลือกเชิญหมอผิดห ม, ห ม, ห, มดหมอก็บอกแล้วหมอก็เตือนแล้วไงเขาเลือกต้นทางเดี๋ยวเขาเลือกแล้วหมอก็บอกแล้วนี่มียาแบบนี้แต่มันแค่นี้แล้วก็อาจจะเสี่ยงนะถ้าตายนี่ เราเตือนเขาแล้วเตือนแล้วผู้บริสัทธาผู้สําหับกับขอเนี่ลเาก็เตือนแล้วอายะนี้เนี่ยอายะที่แห้าก่อนหน้านี้นี่สมสบอายะคืออายะที่ห้าห้ามันมีสานวนคล้ายๆกันในสุต่ว่านีแหละผมาทบทวนกับพี่น้องอีกทีหนึ่งจะดูมันคล้ายคลึงมากเลยละตัวอับิกอัมวะลุมนะะอันแรกนี่ละลัวอักษบิกอัมวลุม وأولادهم أ ي ن ا ن ي فلا ت ع ج ب ك أموالهم ولا أولادهم ك ي ما عنا إنما يريد الله أن يعذبهم أ ن ن ا إنما يريد الله لي يعذبهم مش أن يعذبهم في الحياة الدنيا أ ن ن ا في الدنيا ن ن في الدنيا أ ن ن ا في الحياة الدنيا ท้ายอายานี่วะัตะซักกัอัมบุสูมฮุมกาฟิรุนอันนุนก็เหมือนกันวัตะซักกับอัมบุสูมฮุมกาฟิรความหมายเหมือนกันมีบางอักษรที่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันเท่านั้นแต่เนื้อหาของอายาเหมือนกันแต่ที่แปลกนะทั้งสองอายาเนี่มาหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวจาละได้พูดถึงอย่างไอาะเนี่ยอัลลอฮฺได้พูดถึงการลงโทษต่อมุนาฟิก อัยยานุก็เหมือนกันพูดถึงเรื่องการลงโทษการพิพากษาว่ามุนาฟิกเนี่ย Allah จะลงโทษในดุนยานี้เช่นในอายะ84นี่ลงโทษในดุนยานี้ s นี่ไม่ละหมาดยานาไซเขาแล้ววันเกียร์ม่านี่นะก็เป็นสถานะเป็นผู้บริสถานาก็คือตกนรกที่นุ่งก็เหมือนกันทีนี้มันก็จะเกิดข้สอสงสัยอ๋อสถานะเขาในโลกดุนยา this เป็นคนเลวและในวันเกียร์ม่านนี่เป็น คนถูกลงโทษตกนรกอย่างเนี้แต่เราเห็นว่าเขาหน้าตาดีเนี่ยเขาสถานะเขาดีจึงต้องมีอาย่านี้เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมายืนยันว่าสถานะภายนอกลักษณะภายนอกของเขานี่นะอย่าให้เราได้พึงพอใจเลยทั้งสองอาย่นี้ยืนยันในเรื่องนี้แล้วทำไมกุอานต้องมาพูดเนี่ยอาย่นี้คล้ายๆกันนะนะห้าสิบห้ากับแปดสิบห้านี่ทํำไมมาพูดซ้ําแบบนี้ละ่ะ เป็นไปได้เพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์หลายครั้งแล้วอะที่มีผู้ศรัทธาที่พึ่งพอใจในเรื่องภายนอกของพวกมูนาฟิกอัลลอฮ์ก็เลยมาย้ำพูดย้ำอีกทีหนึ่งเหตุผลที่วัลลมาได้บอกว่าทำไมกุรอานบางอายาเนี่มันคล้ายๆกันมีความหมายคล้า ย, ายกันก็เพราะอาจจะมีเหตุที่มันเกิดขึ้นหลายครั้งการที่จะพูดซ้ำนี่เรื่อกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และก็ตาอาจะไม่ละอายนะ จะไม่ละอายนะที่จะยกอุทหรณ์หรือจะออกคําสั่งหรือมีหรือมีองค์การ <c oughs> อายะในคุตัานที่จะที่จะสั่งสอนเรื่องที่เกิดเกิดซ้ําเกิดเกิดและเกิดแล้วเกิดอีกเราจะไม่อายเช่นเช่นที่อัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺจะไม่ไม่อายนะที่จะยกอุทาหรณ์แม้ว่าจะเป็นยุงเป็นแมลงวันเป็นะเราไม่อายเพื่อให้คนเข้าใจก็มีคนเดียวก็มาหาเรื่อง เรื ías, Benjamin, Och, ah, ่องกันนะี ah, ้เราทาไมต้องยกอุทาหรเรื่องงูเรื่องยุงอะไรนี่มันงกรินหนึ่งทำไมล่ะเรก็เลยตอบโต้นอินนัลลอฮอะไรจีพะยีจริ ر ب มัธลมาบาูด ة ั้งฟมาฟก้าอัลล์ไม่ละห้รอัลลอฮ์ไม่ได้คนิยมของชาวบ้านที่จะมามาให้คะแนนกับเาอลกุฎอ่านกุฎอ่านเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้งเป็นี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นพระดารัสของพระผู้เป็นเจ้า แล้วไม่ต้องขอเนี้อจากมนุษย์เนี่ยว่าจะต้องพูดยังไงแต่มนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องต้องได้บทเรียนแล้วก็หาอุทาหรณ์ในพระนำรัสของอัลลอฮฺสุบบานะวะตาลมมากกว่าอาวุลละมานด้บอกว่าการที่อัลลอได้พูดอายาณีพูดสองครั้งซ้ำเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กอะไรอ่ะ คนที่หลงหลงกับปัจจัยของทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เจริงด้วยจริงด้วยพี่น้องว่าไหมการทะเลาะเบาแวงระหว่างผัวเมียในสังคมบ้านเราในปัจจุบันนี้ที่มีความแตกแยกระหว่างสามีภรรยากันเพิ่งแต่งงานกันดิบดิบสดๆดนี่นะอีกแป๊บนึงก็หยากละัะ อยู่กันเมือนะไปงานนี้างงานวันี่มันกับมานี่ทอะละกั้งลั้นไอ้นี่นี่ดูดูทิกตอกดูอะไรนี่แป๊บนึนงงันก็เริ่มมีอาการกับหัวละทำไมยก็ไปดูโฆษณนานะของขายมันเยอะไงแต่ในบัญชีนี่มีแค่สองร้อบาทเนาะสามีนี่ก็ไม่ซื้อให้ต้องไปต้องไป ระ บ, บายกับใครระ บ, บายกับสามีก็ต้องระ บ, บายกับสามีปัญหาส่วนมากความแตกแยกในครอบครัวนะ่โดยเฉพาะโดยเฉพาะที่แบบว่าแต่งงานกันแล้วก็ไม่มีไม่มีรากฐานของศาสนาเนี่ยแต่งงานเพราะอะไรผมเห็นในห้างโอ้ยสวยวะ่ะแต่งตัวสวยเลยนี่ใส่ น, นสู่นใส่นี่ของของแบรนด์นั่นนะ่ะ ไอ้นี่เ อ, ลอหล่อวะนี่แต่แบร น, นังนั้นนะ่ะไอ้แบรนก็มาเจอแบรนมันก็เลยใช่ไหมแต่พออยู่ห้องเดียวกันเลยอของแบนี่ไ ม, ม่มีแล้วนะไม่มีเลยกินก็ไม่เอ็แต่หลงกับเรื่องแบนกัหลงกับเรื่องเรื่องเรื่อ ง, อ ง, องวัตถุก็เกิดเกิดการทะเลาะปัญหาระหว่างลูกๆ ก, กับพ่อแม่ ลูกๆที่ไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยหลัการศาสนาหรื อ, อถูกหล่อเลี้ยงด้วยหลัการศาสนาแต่ลูกนี้ไม่เอาไหนแ้วก็ไปหลงกับสังคมไงสังคมเพื่อนที่ยึดติดกับเรื่องทรัพย์สมบัตินี่แหละเพื่อนเขามีรถทุกคนฉันทําไมไม่มีรถบ้างละ่ะเพื่อนทุกคนเนี่ยเขามีไอโฟนสิบสี่ของฉันทําไมไม่มีละ่ะเพื่อนทุกคนเนี่ยเขาไปเที่ยวนู่นนี่ฉันจะเที่ยวไม่ได้ละ่ะทะเรา ก, กับพ่อแม่เนี่ย เพราะเรื่องอะไรก็เพราะเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ใหญ่มากเลยคิดดูสิเนื้อหาของอายะนี้นะมันเป็นบทจริยธรรมที่เราสอนลูกหลานของเราสอนว่าที่เจ้าบา่าวเจ้าสาวก่อนที่จะแต่งงานสอนสมาชิกครอบครัวอย่างสม่าเสมอ อย่าให้ทรัพสมบัติอย่าให้เงินทองอย่าให้ปัจจัยอย่าให้ลักษณะภายนอกเนี่ยทําให้เราได้พึงพอใจนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ศรัทธาคิดดูสิถ้าเรามีบุตรอักลักบุตรมารยาทสอนคนในสังคมแบบนี้อย่างตลอดตลอดเวลาปัญหาเยอะจะไม่เกิดขึ้นปัญหายาเสพติดปัญหาครอบครัวมันจะลดไปเยอะเลย นี่เหตุผลว่าทําไมอาย่านี่ถูกถกล่าวซ้ํากันนะครับเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมจริงวันนี้ตั้งใจจะสองอายาจะดูวันนี้อายานี้วันอายานี้อายานี้มีนะฮะเยอะนะแค่นี้กอแล้วกันนะแค่นี้เหนื่อกันแลเหนือยยั ววงแล้วนะดาแดงกันแล้วเริมร่มมีแบตเตอรี่หมดละแต่มีคำาถาไหมออกบีบซีป่ะไม่ออกวันนี้อธิบายแค่ไีนแล้วไม่ออกบีบซีเลย อ่านฟาดิฮาเิร็จแล้วถ้าขึ้นต้นซูรอใหม่เนี่ยควรอ่านมิสมิลลามาสับชฟีให้อ่านมิสมิลลาเสียงดังนะเช่นอ่านฟาติฮาเสร็จแล้วนะแลจะเริ่มอ่านซุเนี่ยอร่อยแต่เราทียูกับชีฟขึ้นต้นซูลอใหม่มาสับชฟีไว้อ่านมิสมิลลาอิลอ์มราสียงดังเลยนะเหมือนนี้มาสับชีฟีนี่อ่านฟาดิฮ่านี่ต้องมิสมิลลาเสียงดังแต่มาสับอื่นเนี่ยไม่อ่านเสียงดังไม่อ่านเสียงค่อยต้องอ่านเงือนมิสมิลลาอ์มะราเพราะมันเป็น บิสมิลลาห์นี่เป็นอายะห์ถึงแม้ว่าไม่ดีขึ้นตัวเลขอายะห์นะแต่มันเป็นอายะห์ที่ขั้นกันระวังแต่ละสุโรแต่ถ้าเริ่มต้นกลางสุโรอ่าเช่นอ่านฟาเสและแล้วอ่านอายะฮ์กุลซีอย่างเงี้ยไม่ต้องกล่าวบิสมิลลาห์เข้าเลยไม่ต้องอ่านเลยมาซาชวีก็ไม่อ่านเสียงดังนะไม่ไม่อ่านเลยนะครับ จังหวัดที่ต้องไปทำางื่แล้วก็กลับาอ่ตอบตัที่เรายังไม่ได้จบร้อยเนี่ยนานไหมถ้าไปนานนี่ก็กลับมาก็ให้กล่าวใหม่ให้อ่านอัลฮุสบิลละถ้านานนะเราจะไปแล้วก็ไปคุยโทรศัพท์คุยเรื่องบรรดาหรออะไรเงี้ยอ่านมาก็กล่าวอัลบิลละใหม่แต่ถ้าแบบว่าแป๊บบินแป๊บเดียวอี้ก็อ่านต่อได้ไม่ต้องกล่าวอัลฮุสบิลละนับนับว่าเออยังอยู่ในมาจิลิสเดียวยังไม่ได้มีกิจกรรม แยกแยกจากการอ่านคุตอาอย่างชัดเจนเอหมือนแก่ประเดียวกระดาวเช่นแม่บ้า น, น เ, าเาาน่ยกี่โมงแล้วบ่ายมัถามกูจะอ่านคุตตาเนี่ยบ่ายสามโมงอันนี้ไม่ึงคัญโอาอหสุบินลาบายน่นองอ่านต่ออันนี้แค่ ย, ยกตัวอย่างนะมันไม่ใช่เรื่องแยกอะไรเงี้ย <c oughs> อยากให้แนะนำหนังสือให้กับนักศึกษาไทยที่ไม่ได้เรียนศาสนาโดยตรงครับในหมวดต่างๆเนี่ยเราเขาควรศึกษาด้านไหนบ้างในระดับของด้านต่างๆเช่นด้านเซียบด้นอภิได้นด น, ดนตัดเซียบตัวด้านทั้งหมดเล ย, ยหรือทุกเรื่อง <c oughs> เรื่องประเด็นสําคัญของไทยไม่คือถ้าถ้าหว่าเขาจะเรียนใหม่ยถึงว่าคือคนที่ต้องแบ่งประเภทเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยเขาจะเรียนแบบเรียนศาสนาแบบรุมๆไม่ได้เรียนศาสนาจะได้เป็นผู้รู้ว่ามุสลิมทุกคนนี่นะ มิยุสงบเพียถวนาขอบอกว่า طالب علم على سبيل النجاة طالب علم ไม่าาสนนมักสักสามัญกันแต่เข้าเรียนจะได้เอา uto รอดเรียนจะได้กูจะได้ลมาดเป็นถือสิญอดเป็นจะได้ละมาดเขีย ม, มุ่นเลนได้จะได้ถือสิ้นอดได้แล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีหนังสือหนังสือเฉพาะเฉพาะด้านเฉพาะกิจที่เขาจะเรียนรู้แต่จะจะละมา ด, ดานี่กัหนังสือละมาดถือถือรายการหนังสือ หรือาจะเรียนรู้ทั้งหมดนี่ก็จะมีตำราบางตำรานี่ที่แบบว่าเออพูดถึงทุกประเด็นหลักๆในในในหลกักศาสนาสำคัญสำคัญนนะโดยสังเกตอันนี้ก็พอได้ใช่มันก็มีเยอะนะแต่ถ้าจะเรียนแบบศึกษาแบบ طالب อุลิมิขบวว่าต ا ل ب อุลิมศึกษาอันนี่เลียนฟ้าไกรระหูเขาจะได้นําความรู้ไปให้คนอื่นด้วยอันนี้หลักสูตรมันตรง มันต้องยาวมากกว่านี้ฉะนั้นที่ถามเนี่ยถามให้ใคร<อ>ประเภทที่หนึ่งแระเภทที่สองประเภทที่สองนี่อันนี้ต้องนั่งคุยยาวนะยาวเลยนะที่นี่ถึงมาดีหน้าเลยนะคน <laughs> าถามจากกสิ่ง<อ>เขาอยู่ที่นู่นไม่ต้องถามล้วไปถามที่นู่นนะอยู่กสิ่มผู้รู้เยอะแยะนะ แต่ผมก็เคยวางหลักสูตรให้ต้นหลักสูตร น, นะหลักสูตรสำหรับคนเ่ียกจะศึกษาเรียนรู้ศาสนาวิชาเบื้องต้นนะครับจะได้เริ่มต้นเนี่ยก็วางหลักสูตรถ้าสนใจนี่บอกมหมาวยาลัยนี่ก็เคยได้นะมหมาวยาัยคนนี้บ่าวที่ถามมาฮเฮ้ยเดไว้คุยกันมีคำถามอื่นไหมครับ تامم إذا يتيقانين كابو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمة الله